ต่อนี้ไปก็จะได้อธิบายธรรมะสู่กันฟังธรรมะในวันนี้ก็จะได้แสดงเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละแต่ความจริงก็แสดงมาแล้ว แต่ว่าก็ต้องแสดงอีก <c oughs> เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาพระาศาสดาทรงแสดงสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ให้แก่ประชาชนชาวกุรุราชในประเทศอินเดียครั้งนั้น ชาวเมืองกุโรราตนั้นไม่ไม่เฉพาะแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นแม้ชาวบ้านผู้ครองเรือนก็ยินดีพอใจปฏิบัติตามสติปัฏฐานทำทั้งสี่นี้ <c oughs> จะไปทำมาหากินเก็บผักหักหกืนทำไรไทยนาะอยู่ที่ไหน หากเมื่อได้สมาคมกันก็จะชอบพูดถึงแต่เรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้หละนี่พูดตามตำราแ <c oughs> สดงว่าชาวเมืองปุรุราะนั่นจิตใจจดจ่ออยู่แต่ในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ดังนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจว่า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 ได้ที่แล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ในตรรราท่านยังกล่าวไว้ว่าถ้าอยังแรงกล้ามากก็เจ็ดวันเท่านั้นละเจริญสติปัฏฐานอยู่เจ็ดวันก็บรรลุเลยอันนี้คงหมายเอาท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามากทีเดียวแลลวถ้าหากว่านานกว่านั้นก็เจ็ดเดือนถ้านานกว่านั้นก็เจ็ดปี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 หาคนหาสัตว์ไม่มีแล้วความจริงของร่างกายก็เป็นอย่างนี้แล้วหนาบมีซ้ำก็ทั้งมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่สวยสดงนงามอะไรเลยที่ว่ามันสวยสง่างามเพราะตกแต่งต่างหากนี่ประดับประดาไปต่างหากถ้าหากว่าไม่ตกแต่งไม่อาบน้ำชำระเหงื่อใคร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 ทำชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นนั่นแหละถ้าบุาคคลใดเป็นผู้ปล่อยให้ราคะตัณหาข้องามจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันย่อมดิ้นลนเสวงหาไปไม่เลือกเฟ้นเลยไม่ไม่คำนึงถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษไม่คำนึงเลยเมื่อความรักมัน ครอบงำจิตใจแล้วมันทำให้ใจมืดใจบอดมองไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันเลยถ้ปล่อยให้ราคะตัณหาครอบงมจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันก็ต้องอยู่ไม่ได้เลยในพรมจันทร์นี่นะหรือถ้าอยู่ไปก็จับประพฤติผิดพระวินยัยเข้าไปอย่างร้ายแรง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 ธรรมารมทั้งหมดเหล่านี้มันก็เกิดจากจิตนี้คิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่ามันมาแต่ที่ไหนไม่ใช่ยิงอยู่แหละต้องอาศัยวัตถุภายนอกด้วยแต่เช่นอย่างว่าตาเห็นรูปอย่างเนี้ยถ้าหาว่าจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งเรื่องรูปนั้นแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรลนรูปนะตัวรูปนั้นนะมันก็ผ่านไปเฉยๆนี่แหละมันเป็นอย่างนั้น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 อ่อนน้อมเข้าไปมีจิตเคารพถ้าเข้าใกล้แล้วก็ต้องนั่งลงกราบไหวอันนี้เนวว่าตาเนี่เห็นรูปที่เป็นมงคลก็ก่อให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างนี้เลยเนรว่าตาี่ยไปเห็นรูปพระสงฆ์สา ม, มเณรเข้าอย่างนี้นะในฐานะเรานับถือพระตนะไกล ตามประการเป็นที่พึ่งดังนั้นเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ทำให้ใจอ่อนน้อมลงไปแสดงความเคารพทางกายด้วยก็เป็นเหตุให้ได้กราบได้ไว่าลงไปถ้าหากว่าไปรู้ทราบซึ่งว่าพระสงฆ์เหล่านี้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินยัยจริงๆดังนั้นก็ยิ่งมีศรัทธาเลื่อมใสแรงกล้า ถึงกับได้สละเจตุปัจจัยทยทานออกไป ก, ก, ปปกป็ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นนี่เรียกว่าตาเห็นรูปไอ้ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าตาไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังเข้าก็ไปแสดงความจงเกลียดจงชัง แต่มันไม่เกลียดไม่ชังอยู่แต่ในใจบัานีมันแสดงออกทางกายทางวาจาทางกายก็ทาหน้าบึ้งหน้าบูดตอทางวาจาก็กล่าวเสียบแทงดูมินเหยียดหยามเข้าไปอย่างนี้มันก็่อให้เกิดเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วนั่นแหละเลวาตาเห็นรูปมันก่อให้เกิดบาปอคุศลขึ้นมาได้ นี่ผู้ผู้เจริญสติปัฏฐานสี่นี่จักไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นชัดตามไปจริงลงไปแล้วอย่างนี้แม้เห็นรูปอื่นมันก็เหมือนกันกับรูปร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่อไม่แปล ก, กันเลยถ้าพูดถึงความจริงนะแต่พูดถึงไอ้สวดทรงหรือลักษณะนั่นมันอาจแตกต่างกันไปอยู่บ้าง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 เมื่อวัตถุอนนั้นแ ป, ปลพวนไปความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมา <c oughs> ก็สติมันลลึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นแหละเมื่อเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงมันจึงบรรเทาทุกข์ทางใจได้ไม่เป็นทุกข์กระวนกระวายเกินขอบเขต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 นี่แหละมันเป็นผลดีอย่างนี้การเจริญสติปัฏฐานสี่น ะ, ะก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้ทำให้กิเลสตัณหามานะทิฐิต่างๆนั้นเบาบางออกไปจากกิตตสันดานนี้ได้มากมายทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อเราเจริญมากๆเข้าไปแล้วนี่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 ก็คงพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นอารมณ์นะแต่เมื่อเวลามีใครเข้ามาด่ามาว่าติเตียงเข้ากโกรธนี่อันนี้เห็นได้ชัดชัดเลยนะว่ามันมีอุปทานนะมันยึดมั่นอยู่นี่อมันยังยึดมั่นว่าเขาด่าเราเขายกโทษติเตียนเราอย่างงี้นะมันยังสําคัญว่าเรามีอยู่ในนี้เลยเออดังนั้นอย่าไปประมาท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 ทาหารของประเทศมันจะต้องต่อสู้กันอยู่ในยุทธภูมิอันนั้นให้รู้ได้ว่าใครเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนี่เราภาวนาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อเราจะเอาชนะความเห็นผิด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 เขาด่ามาอย่างนี้ว่าเองน่ะเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนี้นนนไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีเขาไม่มีอยู่ในนี้หรอกอมันจะปฏิเสธในใจทันทีเลยแหละกตเมื่อมันเป็นปฏิเสธอย่างนั้นมันก็ไม่รับเอาคดาด่าคาว่าคำสรรเสริญเยินยอของคนอื่นเลยนี่เมื่อมันไม่รับเอาแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรปบนี้มันก็ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาด พิถเถียงกันแต่อย่างใด เ, เวททั้งหลายก็ย่อมระงับไปโดยปริยายนี่นะมันมีผลดีทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นด้วยออการที่เรามาเจริญสติปัฏฐานนี่นะให้เพึ่งพากันเข้าใจ เ, ออเหตุผลออดังที่แสดงให้ฟังมานี้นะ <c oughs>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 ต่างๆไว้ในใจเลยทีนี่ก็เป็นเหตุให้คนเราทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างไปละที่นี่เมื่อบัญยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนั้นนะกรรมดีกรรมชั่วก็พาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปเป็นวงกลมไปเลยครับเป็นอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไป นิ่งนอนใจหัดสติสัมปชัญญะนี่นะให้มันแก่กล้าขึ้นในใจิตใจหัดสติระลึกเข้าไปหาจิตนี่ให้มันได้นี่สำคัญมากนะให้มันวิ่งเข้าไปหาจิตบ่อยๆทีเดียวหัดเข้าไปจนชำนิชนานาญแล้วอย่างนี้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 ตนเจริญเวทนานวุวสนานั้นให้มากๆรู้ชัดอยู่อย่างนี้แหละเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่จิตใจมันจกไม่กระวนกระวายมันจะอดกั้นทนทานได้เลยเพราะมันรู้ชัดนี่ว่าไม่ใช่ของเรานี่ทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราอไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรเลยมันเรื่องของขันห้าตัางหากหนิมันก็เห็นไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละ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 สมควรเก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้